นั่นแต่ต้นมาจนวันนี้จะขอปราบน้กมัตการลากลับในพ อ, พอดูก็คณะญาติโยมจากวัดบุคโลการนำของพระอาจารย์อุบนอินทยาโนได้เข้ามาถูรงโบสด้วยกันก็โปรดไปรับฟังโอวาทเชื่อเป็นการอนุโมทนาได้บุญ้วยกุศลด้วยกัน ในวันนี้การทางบุญการกุญลในทางพระพุทธศาสนานั้ น, นกล่าวไว้ชัดเินว่าทานสินะภาวนาทานการให้และเสียสละการทำบุญทุนทานก็ดีแต่ไม่เท่าที่เราจะมีสิ่ง ถ้าเรามีสติธรรมชัญยะมีสูงดีสติดีภาวะดีจิตใจดีเป็นกุศลดีก็สามารถได้บุญมากประทานธรรมดากิเราไปทำบุญทุ้นทานจะไปถวายสังฆทานก็ตามไปถวายประปาก็ตามไปถวายกระชุนก็ตามไปสร้างโบสถ์ิหารกรร็ลาลงธรรม จะ ส, สร้างสาธาประโยชน์อันใดก็ตามถ้าเราให้หรือสงเคราะห์ในการสร้างก็ยังไม่เด็เท่าได้บุญเท่ากับมีศีลที่เราจะบำเพ็ญศีลอันนี้สำคัญมากกว่าถ้าเราจะถวายทานเขาก็ต้องมีการรับศีลแต่เราก็รับศีลไปอย่างนั้นเองไม่ได้ปฏิบัติศีล การปฏิบัติศุงนั่นก็คือปฏิบัติสติปัฏฐานชี่หรือการมี ส, สมติสัมปชัญญะควบควุมจิตไม่ได้จึงจะมีประโยชน์ในการให้ทานในสงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งกันละ ก, กันจะได้บุญมากเพิ่มขึ้นเท่ากับตามส่วนที่ทำแต่เราให้ทานธรรมดาช่วยเหลือกันธรรมดานั้นจะหวางผลตอบแทน พอให้บุญก้วย ข, ขปาขปเจ้าที่ขปเจ้าทําด้วยจะถูกปัจจัยถวายขง้นทานถวายพระป่าหรือจะไปทําบุญทุนทานอันใดก็ตามก็ได้แค่ทานธรรมดาถ้าเรามีอศรีมีทำอยู่ในตัวเองมีสติฉันปัญยะควบคุมจิตไม่ได้ทานท่ากับเกิดผลทานจะได้เกิดเงนสได้ทันตาเห็น แต่ก็ยังไม่เท่าภาวนาภาวนาตัวนี้เกิดเจริญกุศลภาวน า, วนาจะเรียกว่าสมถะาภาวนาวิปัทนาภาวนาสมถะกรรมฐ า, านวิปัทนากรรมฐานเพิ่มเติมเสริมสุดในยุติขนั้นเพราะการให้ชาเนี่ยมันของต่บำบําเพ็ญสิงก็สูงขึ้นเป็นทางกลางถ้าเราภาวนาก็สูงสุดในพระพุทธศาสนา พอสามารถให้เราสาเร็จมาก่อนได้สามารถให้เรากำจัดเหตและความทั่วออกจากตัวได้เรียกว่าสูงสดที่อยากโยมาเจริญกุศลภาวนานั้นก็ต้องตามสุดนี้แต่เรามายังไม่เคยทำทานมาก่อนยังไม่เคยบำเพ็ญศีลมาก่อนแล้วภาวนาก็ยากหน่อยก็ยาก แต่เราม่อายาตยาสายมีเมตตาบริจาทานมารเรื่อยๆบำเพ็ญสุญก็ง่ายขึ้นแต่เรามีสติสัมปชัญญะสุนดีมีปัญญาภาวนาก็ง่ายขึ้นเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติถ้าเรามีภาวนาจเจริญกุศลภาวนาที่พระพุทธเจ้าวัดสูงสุดในพระพุทธศาสนา ก็มีหน้าที่ธุระอยูของประการขั้นถากุระต้องศึกษาเล่าเรียนวิชาการทั้งด้านโลกและด้านธรรมีปััชนาธุระก็ต้องการจะมีธุระหน้าที่ในการปฏิบัติตามวิชาการแผนที่ที่บอกมากำมันคาไปตามราดับขั้นตอนเพราะฉะนั้นการจเจริญภาวนาจะด้านภาวนาสองสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนา เราก็ต้องไปลงกรรมาฐานก็ขอสรุปใจความว่าเรากรรมาฐานเป็นหลักลาการกระทำไม่ฐานะดีให้มีปัญญาให้มีสติมีความคิดมีควา ม, มรูเลิศทำให้ปัญญาแจ่มใสแจ่มชัดด้วยความดีความชั่วของตอนนั่นเองความดีความชั่วของตอนทุกคนรู้้วยกันทั้งนั้นแต่ก็ไม่สามารถจะยับยัง้ง ช่างพิเทมีสติปัญญาได้เพราะฉะนั้นต้องเจริญกรรมฐานเจริญสติปัฏฐานสี่ทางสายเอืของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ชัดเจนมากแต่ส่วนใหญ่คนเราทํายังไม่เข้าขันตอนยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นต้องการจะได้ผลได้านอานิสงส์นั้นก็นต้องทําไปเรื่อยๆโดยเสมอต้อนเสมอปลายทําไปก็เปิด ก, จกัจจะบรรยกะศกรรมฐาน ที่เราว่ายืนหนอก้าครั้งเบือ้องตามปลายผมตงไปเบือ้องบนปลายเท้าขึ้นมาก็ต้องทำให้ได้ถึงขั้นตอนขั้นตอนยืนเดินนั่งนอนนั่นเองจะเลี้ยว้ายแล้วขวาคู่เหยียดเหยีดขาต้องมีสติแต่ใครทำยืนหนอก้าครั้งได้คนนั้นจะรู้ภาวะรู้วาลติจของคนได้ที่เราได้จริงได้ตัวจริงขึ้นมาในตัวตน อาการกำหนดยืนได้ตั้งสติได้แล้วมันจะโล่งอกโล่งใจจะทำอะไรก็ได้ผลเดินตรงกลมก็ได้ผลเดินกระชาไม่สติยับยัง้งระลึกอยู่เสมอความรู้น่ะมันทำให้เรารู้ว่าดีหรือทั่วคือตัวสัมปชัญญะปัปพะรู้ว่าดีหรือทั่วแต่เราจะกำจัดได้หรือไม่นั้นต้องมีภาวนาให้เข้มแข็งให้มีสติ ยูก็จิตได้ผนึกบวกกันเป็นหนึ่งได้มาได้เราก็สามารถจะกำจัดความชั่วแก่ตัวได้ถ้าเราไม่สามารถจะทำได้สติไม่พอสมาธิยังอ่อนดอูสติก็น้อยลองยไปความรู้ก็น้อยลงไปความรู้ซึ่งเติลึกหนาบางก็น้อยลงไปจึงไม่รู้จริงเลยก็ไปกลายไปรู้หนังสือที่เราดูอ่านหนังสือธรรมะมากเกินไป แต่วิธีปฏิบัติก็จะทําไม่ได้วิธีปฏิบัตินั้นมันวิธีอ่านหนังสือไม่มีตัวให้มันฝุดขึ้มันอย่างใใจิตใจใช้สะอาดของตนเองจะได้รู้ว่ามีอชั่วหรือดีควรจะกําจัดออกไปหรือไม่เประการใดการภาวนา ม, มืต้องการขัดเก้าจิตขัดเก้าอํานาจ พ, พ้นเปลือที่เกิดช่วยอานาจโลภะอํานาจโทสะอํานาจโมหะที่ม่เกิดเป็นจริตผิดธรรมดา ทำให้เรานมื่อเลี้ยงไหลไถ่ถอลงไปสู่ภาวะอันที่ต่ําเรามีสติธรรมะัญญะกําหนดได้ก็ยืนหนอนี่ยังไม่มีใครทําได้สนิทแต่ประการใดถ้าทาได้แล้วจะเห็นวาลจิตของคนชัดขึ้นเขาเรียกว่ารู้จริงกว่าเห็นคนเดินมาตั้งสติไว้แล้วก็จะดอ่านออกบอกหน้าใช่เป็นคนนี้มีฉายดีไม่ดีคนนี้หัวขาด ต้องตายก็ไม่ผิดแบบแผดแผนแต่ประการใดแต่ยังมีน้อยคนที่จะทําได้ก็เนื่องจากก็อหินได้เพราะทำแล้วก็เลิกไม่ติดต่อมันไปตามมันดับทําแล้วก็เลิกทาแล้วก็เลิกจึงไม่รู้จักภาวะของตนสมาธิก็เสื่อมซา ม, มุงไปไม่มั่นคงส ต, ติก็คลาจิตก็เหลวแหลกแตกลานไปตามสภาพเหมือนเดิม จิตไม่เข้าขัน้นจิต ก, ก็ไม่ถึงที่หมายตามความประสงค์แล้วจิตมันจะกลับไปที่เดิมได้จิ ก, กลับที่เดิมก็กลับไปหาโลภะกลับไปหาโทสะกลับไปหาโมหะแล้วก็ม่มีสติปัญญาเหมือนอย่างที่เราจเจริญกุตตนภาวนาอยู่เป็นประจำผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเหล่านั้นต้องมีธรรมะประจําสุด ก, ก็คือมีสติประจําใจกําหนดอยู่ตลอดเวลาแล้วรับรองเรียบร้อย อยู่ด้วยความสงบเรียบร้อยอยู่ด้วยความเป็นปกติดีและเราก็จะไม่เหลวแหลกแต่ลานจิตจะไม่ผันแปรเปลี่ยนพักจิตจะอยู่ในหลักของสมาธิบัพเป็นสิตภาวนาจิตจะมีศีนมีสติควบคุมดีตลอดเลยการชีวิตจะมั่นคงอันนี้เป็นเรื่องหลักของผู้ปฏิบัติกรรมฐานจะทําไม่ได้แล้วัก็ไม่สามารถจะรู้วาลตจิตได้ ถ้าทำได้เขาค่านมีสติดีสมามี ญ, ญาะดีล้วจะแผ่เมตตาเจราที่ิ่งกุศลให้ลูกเรียนยังสือเกินที่จะแผ่วนกุศลให้บิดามันดาปุญาตาญาที่หลวงรับไปแล้วถูกสั้ปริยภพก็มาได้ปลาลกปัจจุบันนั้นเองก็จะได้ผลอย่างสมค่าตาสนาถ้าทำไม่ได้ฝึกไม่ถึงขั้นและจิตไม่เป็นกุศลอยาทัศน์วิจุธิไม่เกิดขึ้น จิตไม่ใสยใจไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์แนวจะแผ่เมตตาได้ยากแผ่เมตตาจึงไม่ถึงขัน้นเมตตานั้นจิตจะแผ่ไปให้คนทั่ทวไปสัเพจัดตาอันนี้นเป็นหลักวิธีการแต่โดยวิธีปฏิบัติแล้วมีเมตตาครบมีสิงครบโดยการปฏิบัตินั้นสติก็ดีสัมปชัญญะก็ดีและปัญญาก็เกิดขึ้น คนที่จะแผ่เมตตาให้ถึงขั้นถึงเป็นตัวหนังสือก็ได้แผ่เมตตาไปยังวาลจิจของบุคคลที่จะรับได้ก็ไม่อยากเลยแต่เราก็ทำกันไม่ได้ไอ้ที่ทำไม่ได้เนี่ยคือจิตมันฟุ้งฟาจิตมันเข้าไปหาก่เละอาสวะไม่หมดชิ้นในขณะนั้นเมตตาไม่มันยังเกียบปนอยู่ความต้องการพวกคนที่เมตตาคนที่ไร้เมตตานั้น คนนั้นจะมีกิเลสปะปนเรียกว่าเมตตาเกียรตไปด้วยนานาประการเมื่ออย่างความสุขเกือ ป, ปนไปด้วความทุกข์ฉะนั้ น, ค ว, น, นความทุกข์ก็ยังอยู่กับเรามากมายกายกองแต่เราไม่สามารถจะกำจัดความทุกข์ออกจากจิตใจได้มันมีแต่ความทุกข์มันมีแต่ความเดือดร้อนมันมีแต่ความหายยนะตลอดเลยการไหนเลยเราจะทาถึงขั้นนั้นได้ เราจะเริญมกุศลภาวนามันเดินจนกรมโยมกลับไปบ้านก็เดินจงกรมก่อนเสมอส่วนมากมักง่ายไม่เดินจนกรมเอานั่งเลยสมาธิจะได้ยากค้างกำนหดก็จะช้าล่าช้าเวลาไปถ้าเราเดินจนกรมเป็ น, จจ น, นประ จ, จำแล้วก็นั่งเป็นประจำแล้วต่อการปฏิบัติมันก็จะได้เพิ่มขึ้น จิตใจจะไม่สู่ที่ต่ําจิตใจมันจะค่อยๆขึ้นไปเหมือนเราขึ้นให้สูงสดต้องเกินจากขั้ น, ต, น, นต่ําไปตามระดับถึงยอดภูเขาได้การจเจริญกรรมฐ า, านบางคนทำมั่งไม่ทํามั่งแล้วก็มาเข้ากรรมฐ า, านออกไปสองวันสามวันก็ทําอะไรยังไม่มได้ผลยังไม่อย่านิสงส์จัดระการได้พอฝึกเข้าใจแล้วมีอมีัยปัจจัยบ้างก็ไปทําที่บ้านได้เราเจริญกุศลภาวนาให้ จิตใจเข้าขัน้นตัวมีสติเป็นประจํะากรรมฐานะเราก็รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาตามเนี้ยการแก้ปัญหาก็าง่ายขึ้นในเมื่อโอกาสใดมีปัญหาอะไรในครอบครัวเกิดขึ้นแล้วก็สามารถจะแก้ได้บางคนเนี่แก้ไม่ได้ก็ตอบได้โดยทํากรรมฐานไม่ได้ทํกากรรมฐานนี่เป็นประจําชีวิตเกิด ข, ขึ้นมามันก็จะแก้ไขไอ้ปุครุกร้อนหรือความเศร้าหมองใจได้ง่าย เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหานี่ไม่ยากเกินแต่เราไม่ใช่ธรรมะรือว่าเราก็ไม่ได้กําหนดคิดเราก็ไม่ได้กําหนดจุตใจพุ่งชาตินอก็ไม่กําหนดจิตใจระทมคขมขื่นก็ไม่ได้กําหนดไม่เด็ตั้งสติไว้เลยไหนเลยก็จะรู้เรื่องกดแห่นตรรมว่าเราทําตําอะไรไว้เราก็ไม่รู้แต่สุดผลแล้วสามประการเคยพูดมานานแล้วทํากันยังไม่ได้และเลึกชาติในชีวิตก็ยังไม่ได้แล้ว ไหนเลยละกฎแงกรรมว่าตัวเองทำอะไรไว้เราก็ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะสติไม่พอสติยังไม่พอสติยังน้อยมากยังไม่เข็มและสมาธิก็เขียดไปเสียดมายังไม่เข้าขัน้นของสมาธิอุปจารสมาธิอััญนาสมาธิก็เพียงแต่ขณิกาสมาธิทางนั้นยังไม่เข้าขัน้นเข้าตอน ละากาดสติด้วยไหนเลยจะรู้กดถึงตามที่ว่าตัวทำอะไรไว้ก็ไม่รู้เลยนะึงทำกรรันเล็กน้อยๆมันจะไปรู้อะไรอันนี้เป็นขอฝากไว้ขอส่วนมากเอาไปทิ้งกันหมดเป็นที่น่าทิดายมากธรรมะนี่แปลว่าการปฏิบัติให้มีสติธรรมะการปฏิบัติให้รู้ความอดทนธรรมะการปฏิบัติต้องทำ ใ, ใจให้สะอาดหมดจด ทำใจให้อดทนทำใจให้ต่อสู้กับเหตุการณ์ทุกยากลาบากทุกประการก็สามารถจะผ่านอุปสรรคไปนั่นไปได้อย่างหน้าอนุมโมทนาถึงจะเรียกว่าธร ร, รมะธรรมะคือตัวมีสติดีฉับจัาญญะดีกํหดดาหนดได้มันจะแก้ไขปัญหาได้ทันทีการกําหนดบางทีก็ไม่ได้จังหวะเช่นพองพองค้องรุดก็ม่จังหวะก็หายใจใช้แรงายาวมั่งในเสมอตัวไมเสมอปลาย สมาธิเกิดได้ยากสมาธิเกิดได้น้อยมากต้องมีสติน้อยสมาธิก็น้อยไปด้วยเลยความรู้ในปัญญาก็หายไปเลยกลายไปรู้ทางโลกีรู้ทางอ่าอิจฉาลิจยากรรมผููพยาบาลฆ่าตะเกงกันต่อไปแล้วจะขอเอาโหสิกรรมพระภัยก็ไม่เป็นผลไม่เป็นนักเป็นผลแต่ประการใดก็ข อ, ขอฝากไป มันสวดมนต์ภาวนาตั้งสติไว้ทุกเมื่อจะทําอะไรก็มีสติตลอดเวลาการจะหยิบโนมถวยนี่ก็มีสติจะทําอะไรก็คิดก่อนทําอะไรก็ตั้งสติไว้ก่อนแล้วก็จะเนรงานทําการแก้ปัญห า, าก็เปิดเฉพาะหนะ้าก็แก่ไปได้ตามขณะนั้นปัจจุบันนั้นอดีตก็เราไม่รู้ฟื้น เรื่องคนอื่นเราก็อย่ามาคิดกิดชอบแล้วก็ทําในกิจประจำวันของเราให้มันเสร็จลทันเวลาอย่าให้ไปเสียสมองเปล่าไม่เกิดประโยชน์โรธผิผลจัดประการใดอนาคตในวันข้างหน้าอย่าไปมั่นจับมั่นคั้นใหนมันตายคิดว่ามันจะได้ความหมายตามอนาคตที่ต่างใจไว้มันจะเสียท่าเสียทีจะสร้างความดีไม่ได้มันจะผิดหวังมันจะเสียใจตลอดชีวิต ถึงต้องเอาปัจจุบันทำเขไว้ก่อนทำอะไรก็ให้เป็นปัจจุบันไห้ขออนุโมทนา่อยาโจนกลับไปแล้วมันทำมันใช้มันมีดมันรักมันใช้มันก็คมอยู่ตลอดเวลาตามมีดไม่ใช้มันก็เป็นสนิมแต่เหมือนจิตใจธาตุติมันก็เป็นสนิมในใจมีแต่ความไม่สมายขาบเปลืไม่มีความสก รู้ก็ไม่เอาเนื้อเอาไตาจับประการใดเที่ยงพอเที่ยงแม่ไปตามส ภ, ภาพของกฎแห่งกรรมจะเป็นธารมำของตอนนั้นเองแต่คนไหนาารู้เข้าใจรู้จริงรู้แฝงเห็นจริงเห็นแฝงคือการกระทําไม่เคย ร, รู้มากดังที่กล่าวรู้นางหรือนางฮารู้หลักธรรมป็นมากหลายแต่ไม่เค ร, รู้ตัวปฏิบัติตัวปฏิบัติต้องรู้จริงต้องแสดงออกมาให้เขาเห็นได้ จะแสดงออกให้เราทราบว่าเนี่ยควรจะแก้ปัญหาหรือไม่ควรแก้ปัญหาในครอบครัวเป็นอย่างไรหาความสุขสมุกในครอบครัวไม่ได้แล้วควรเราสร้างแตเวรสร้างแต่กรรมสร้างแต่การกระทํำที่เลวร้ายต่อไปข้างหน้าและมักง่ายมักง่ายเห็นแตตัวมากมายไม่มีการเห็นแต่ส่วนร่วมกันหรือสามารถคือตองดองกันเลยเห็นแต่ตัวตลอดใน ก, ดการคนประเภทนั้นไร้ธรรมะ ขาดเหตุผมไม่เป็นคนที่สนใจธรรมะแั่ประการใดแต่สนใจอยากรู้ธรรมะแต่ไม่มีธรรมะประจาใจเหมือนรับฉินปา ก, ก็รับได้จิตใจไม่รับถ้าไม่ปฏิบัติกรรมฐ า, านฉินไม่ปกติจะมีอยู่ก็จิตใจเรายากมากนี่ขอฝากญาติโยมไว้โดยชนะั่วนาการประขอขณมตนาสาธุการแต่ท่านทั้งหลายที่จะไปบำเพ็ญบุญฉันมาจะเรามาปฏิบัติกรรมฐานสรวจเงินภาวนาดีที่สุด ไม่มีอะไ ร, รเท่ากับการเจริญพระกรรมฐานแล้งสูงสุดในพระพุทธศาสนาสามารถจะให้แก่กรรมวิธีได้สามารถจะมีนโยบายสร้างฐานในครอบครัวให้ได้หยุดได้ดีให้ลูกมีปัญญาทุกคนโดยชัทุนากันขอความสุขสวัส ด, ดีจงมีกับท่านทั้งหลายโดยชัทุนากันและทุกท่างนงเจริญไปด้วยอายุวันณนะทิขาพละปฏิภาณ น, นาชานุนบัติ นึกถึงประการใดสมความมุ่งมั่นั้งนาด้วยกันทุกข์ทุกนานน่าโอกาสบัดนี้เทินทุศกุยกาเถลามหาเถลามะธรรมจารุทุกท่านและญากิโยมที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายโดยทั่วมากัน มันเดินเวลากาดมากปฏิบัติที่เราเลือกมาปฏิบัติทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละการปฏิบัติทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นทำได้ยากมากคนที่รู้ทำมีหน้าแต่อการปฏิบัติทำมีแน่วการสร้างความดีของพุทธศาสน์กระเทิมนั้นก็มีแน่ว การพระการช่างความมารีมีหน้าประกันคนเราจึงมีความสุขความทุกข์ไม่เหมือนกันเราสร้างความมารีไว้มันก็เกิดความทุกข์เราสร้างความสุขความเจริญเราสร้างความดีนั่นแหละมันก็ทําให้เราเจริญลุกไปข้างหน้าได้แต่การช่างความชั่วทํำตัวไม่ดี มนก็ได้รับประทานยามบาปตกทุกข์ได้ยากอย่างนี้ก็เรื่องเปเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดาพระพุทธเจ้าสอนนะักสอนหนาะสอนให้เราสร้างความดีละความทั่วสร้างตัวให้ดีสร้างให้มีธรรมญาท่อสอนแล้วนะชัดเจนมากส่วนมากจะได้คำนองได้เลยวนะ่าพุ่งมาปฏิบัติธรรมเนี่ย เ้า ใ, ใจผิดคิดยามัน ก, ก็กรรมอย่างที่พูดมาวางแล้วเาก็ถือว่ามาสักหน่อยสักสามวันสุดวันเราก็คงจะดีได้เลยทีเดียวก็้ำบากยากที่จะดีได้กาเราสร้างความดีมาเสมอต้นมาเสมอปลายมัีก็บ่อนก็บรรจณงก็นกัอ น, นก็บตานเป็นวัา เ, เป็นวางเป็นงมเป็นตำ ที่เรานี่จะทราบกันอื่นวเวลาจะมาบนว่าเราสร้างความดีไม่ดีมาดีนะั้นึงดีกำลังาึงยังไงก็แก้ไขไม่ได้ก็การสร้างความดีนั้นทําได้ยากมากไม่ใช่ของง่ายแต่การสร้างความชั่วทำเตลือให้หห เ, เ, เหลือหลแลอะเทอะเปลือกมันก็ทําได้ง่ายไม่ยากนะัก ดูชั่วประการใดมันอยู่ทุกจิตใจของเราทุกคนเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นก็ทําทุกจิตใจทําใจให้สบายทาใจเป็นปกติตนี่แหละคือปฏิบัติสูง ป, าางปฏิบัติกรรมฐานเจริญปฏิปฐานสุงความรู้ก็จะเกิดทุกวันถ้าเราไม่มีสติแล้ขาดสัมปทานเนี่ยขาดความรู้ตัวแล้ว ความดีมันก็จะเกิดไม่ได้มันจะเกิดความไม่ดีทุกวันบางท่าอารมณ์ดีก็สามารถจะสร้างความดีได้บางท่าอารมณ์มันขั่วก็ไม่สามารถทำตัวให้ดีได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยจรงยากยากมากพราะกาาสร้างความดีนันก็ยากถึงนเยวกันถ้าเราตั้งใจสร้างความดี หนูความชั่อได้มาได้เราถึงจะได้ผลเพราะการท้าความดุน้ังละทั่วได้ไอคันบนุญมีกฎของละบาปให้ได้ถ้ายังโดนบาปมีบาปถูกเกลืนมาบุญมันจะไม่ถึงจะบถึกดูกในจิตใจที่มีความสุขได้ความสุขนั่นเกิดจากบุญงานนี้มือนกันเพราะบุญนี้ มีอยู่กับท่านสบายบ้านบุหงจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญไปเดียวมมนมีการส่วนกับการใดถ้าเรามีสุขกายสุขใจการสุปกายสุขใจนั้นก็ต้องสร้างถ้าไม่สร้างมันก็ไม่ทบความสุขมันจะพบกระหายงนะสุขใจจะเลอะละเลอะเละเลื้มเลอะไหลต่อไปมันก็จะละเลื้มนไปมันไม่แน่นแฟ้น จิตใจไม่มําคงจิตใจขาดสมาธินขาดความมั่นคงถ้าความจิตใจมั่นเนี่ยต้องชาเหมือนกันถ้าไม่ชาในทางจิตมันก็ไม่มัน่นเราก็ไม่มีหลักถานไาม่มั่นคงไหนเลยเราเราจะรู้เหตุผลในชีวิตของเราได้อันทันเจนเพราะด้วยการสร้างความดูเนี่ยยากมาก มาโยซางก็เดิง่ายอย่างที่เดินมาแค่สอวันบางคนมันเดียกลับมาทนไม่ไหวอดทนไม่ได้เมืองขอมเนืองขาดเกของข้ากระเป๋าเดินทางกลับไปเดินไม่บอกล่าผมเยอะก็เนืองจากพระทนไม่ได้มีอเละทาทั้หลายเอสร้างความดีต้องลงทุนความอันบากได้ถ้าเราลงทุนความอันบากไม่ได้คิดว่าความดีมันยังมาก มันไม่ง่ายแล้วต้องยากต้องลงทุนลงทุนความลำบากอดทนทันติธรรมบางคนมาอะเดินกระทบกระเ ท, ะเ ท, ะเทะื่อมหน่อยกลับบ้านเลยไม่อดทนต่อตามใดก็อสร้างความดีมันจึงจะยากถึงนั้นยากที่จอดทนเป็นมีหลักมีบนชี้แจงสะบมไว้ยากสร้างความดีต้องลงทุนความลำบากให้ได้ สร้างความชั่วข้อบลงทุมความสบายนี่พูดนานแล้ ว, ลวก็ไม่ชัดเจนหรือคนที่สร้างความดีลําบากทุกอย่างเข้มได้ถึงถึงจะพบของจริงพบของดีคนที่สร้างความชั่วเอาปูนหมายเหวไว้ได้ชอบลงทุมความสบายพูนสบายนอนส บ, บายไม่เอางานเอาตามไม่าผลที่เป็นผลเป็นประโยชน์ท้กตอน ยากเสียกสนทะเลทลายทะลัออกไปนอกปุ่มนอกทางชึวิตใช่กาลกเวลาของสดเราก็มามาผลเลยก็ขยันไปนอกนาทีกลางงานอยู่ความประมาทชีวิตอยู่มากหลายไม่มีสติ ป, ปัญญาหนีไหวอยู่ด้วยความประมาทอยู่ด้วยความาพลาดน้งทําอะไรก็พลาดทําอะไรก็มาเดืดผล ทำมาไก็มาอย่าอันสงที่หลังมาหลมาเทมาถึงจะเรียกว่าอันสงอันสงของความดู้เนี่ยนั่นหลังมาหลมาเทมาเข้ามาอยู่ในบ้านเราไม่จิตใจจิตใจก็สะบายมีแต่ความเพลถึงจะมีความทุ ก, ก, กข์มาตกแต่ขาได้ก็เราลำบากมามากแล้วเราเป็นเด็กมือเดินตามคือลำบากลำบนอย่างไรก็ต้องทนมาจนแบบ น, นี้มนาะ ถึงจะมีค่าพุทคํรรจะเล่นไหวควมสามารถเนหนุ่มเป็นสาวเป็นฉราใข้เฉ ล, ฉลแต่ชล า, า, าจะสามารถจะทนต่อลำบากได้ทนต่อร้อนหนาวก็ได้แดบแพดเผาก็ทนได้ร้อนนักหนาวนักเราก็นกกทนได้ตลอดเวลาทนที่ทุการความดีเงี้ยเขาลงทุนลาบากได้ทุกอย่าง นอนก็วิ่งจึกรชานอยู่คนหน้าหาความสงบก็สามารถจะทําได้เราจะที่เด้งถือชัดจัว่าไม่เคาะนอนตลอดคืนก็สามารถจะทําได้แต่ไม่ทํากันเพราะอะไรจึงไม่ทาเพราะมันกลัวลําบากตัวความยากตัวความทุกข์ตัวความหยัดร้อนนำมาประการแต่แว่าก็วิ่งไปหาความทุกข์วิ่งก็ไปหาความเดือดร้อน ยิ่งขับมาหาความลำบากความยากเกิดขึ้นและเดือดร้อนมนตาตรการไหนเลยได้ควาะเพ็บของจึงในความสุขขงุนขุนขันทั้งหลายในบาปจะไม่มีโอกาสแล้ววังนั้นคนเราที่จะสร้างความดีได้เนี่ยต้งลงทุนมากลงคุนความลำบากอดทนขันติธรรมต้งมีการต่อสู้ คือความยากคความอมันายอนาจะตามได้ เ, เ, เตียงเหวหยลูกคางก็ทนได้เหือาเหวต่างน้ระ็ทนได้อย่างนี้ถึงจะพบของดงพบของดีงในตัวเองของดีงนิ้ก็ไมาา่ต้องไปหาจระวนหาที่ไหนนี้อยูแ่แล้วแต่เ้าก็หยดค้าจะหน่าที่แม า, าความดีมาคา เอาจต่ความชั่วมาใช้ตลอดเลยตาไหนเลยว่าท่านจะพบของดีขึ้มนมาเป็นความจริงอยู่ในใจมันจะไม่มีความจริงเลยคนชั่วนั้นน่ะมันไม่มีความจริงใจทำอะไรก็เหลวไหลทำอะไรก็ไม่เป็นหลักฐานทำอะไรก็ไม่มันน่งคือยึิตจะเป็นพึน่งเป็นที่ป็นเของตนก็ยากมาก พระพุทธามึงสอนว่าอัตาหิกรนโนนเถนั้นตนเป็นพุทุมแมนอนไม่จะอืน่นายแล้วไม่จงไปทึ่งก็ผีตัวพระเราจะเห็นใบยิ่งพระทัื่อเมื่อนว่านักพิโนเชยมังอันยางพุทธเถรทำเมครั้งโคโเมื่อเวมังลังเอเตนณาจักรวัดเชยงะโหตุเตชยมังขลังท่านถวดนนใกล้าจะจ ไปเจริญพระพุทธมนต์บ้านเขากระทมเขาจะต้องเขวดบทนี้เสมอไปวะา น, นับหินโนืเสื่อมังอันยางต้นต้นแปลความง่ายๆก็บอกว่าที่พึงเองไม่มีลากวก็ะผือเป็นที่พึงไม่ได้คนเองก็เป็นที่พึงให้กับเราได้ยากเราต้องพึ่งตัวเอ ง, งเลี้เหนียวพระรัตนนาคกลายเป็นสาระนาที่พึงตลอดชีวิต สุดิทางเทงนางขจฉามิทำมังเทงนงขจฉามสองังเทงนงขจฉามิเป็นที่พึ่งได้คือคุณพระพุทธเจ้าสามคุณพระธรรมสามคุณพระสงฆ์สามเรียกว่าสามสาเต้าเอาไปข้างหน้ามีความเจริญรื่งเรองเขาจะเห็นได้ว่าพระตางเลอเพุ่มเสดือเป็นต่างเดินตางพุทธลีลา ปางต้าหน้าปางเสลยปางรุ่งเมืองวัดนาสถาพรเขาต้องเดินมาเช่อแน่ไม่เชื่อเนี่ยพระปางพุทธลีลาเขาจึงเรียกสายยาวพระทุ่งเศิดถิกับพเพชรพระทุ่งถิ่นกิถินลู้นหาพระทุ่งเกิดถนสุโขทัยบ้างพระทุ่งเกิดถิ่สุพรรณบุรีบ้างเรียกคำเตาของทารกล้ามสมัยพระสุโขทัยพระอุทอรพระเจิ้าแขนจนต้น สอนจะศึกโค้ชไทยเคยมีความสักดอิเล่อยู่ในจิตพระอุทองก็เป็ น, อ, นอุ่นน้ำอุ่นผ้าเงินทองไหลมามี่เป็นใช้ ย, ยาเป็นชื่อที่เลียกกันโดวยวิธีปฏิบัติแล้วม ห, หมายความมาเอาพระสารสมัยมาตั้งในบ้านพระอู่ทองพระเชียงสอนพระสุขโขไทยตั้งแล้วจะอยู่เยมเป็นศึกการโค้ชไทัยก็อยู่โยมเป็นศึก แสนจะสุกแสนจะมีอูข้าอูน้ํามีไหลน อ, น อ, นอทงทงไมาเอามาตั้งดูชาแล้วกว็บูชาไปเรื่อยอยู่เฉยข้าทองกระทัวไม่ได้ระอูท่ทองทองกระทัวยไม่ได้พระสุโขทัยก็ทัวไม่ได้พระเชียงแสงก็ทวยไม่ได้เราต้องทวยเจองทางน้ําแต่พระเชียงแสนเนี่ยทำมืนลํามขลัง แสดงว่าตายเสิมขังจิตใจเติมข็งสุโคไทยเติมไปด้วยเมตตามีความปราดพนาดีอู่ทองเติมไปด้วยสุโคไทยเติมไปด้วยเมตตามีความปราดพนาดีอู่ทองเติมไปด้วยเมตตาอาลีไอละดเพื่อเพื่อเผื่อแผ่เงินไหลนองทองไหลมาอย่างนี้ต้องปฏิบัติธรรมะเงินที่จะไหลมาทองที่จะไหลมา ต้อมีธรรมะประจำจิตประจำใจก็จะเป็นที่พึ่งได้อย่างนี้ต้นๆการจเจริญกรรมฐ า, านนห้าหาที่พึ่งให้กับตัวเองการจเจริญกรรมฐ า, านต้องการมีเข้าถึงคุณปัจิุบันนาไกรมีพระพุท ธ, ธเจ้ายึดเหนี่ยวยึทางใจคือพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระมหากริณาธิคุณเราก็จะได้อิ่มใจมีที่พึ่งได้ ถ้าทำคําสอนของพระพุทธเจ้าจะจากกเป็นเชื้อนาที่พึงเพราะเราต้องสร้างความดุจละความชั่วให้หมดอยากหุดย้าลามมกสกปรกอีกต่อไปทใใําใจจิตใจใจสะอาดบริสุทธิ์มันทองคําธรรมชาติที่หล่อเหอนี่คือที่พึ่งอยู่ตรงนี้ถ้าทำคําสอนเป็นที่พึ่งได้ถ้าตนของตนไม่เอาตอนเน่าเนื้อเอาไตาอาตาัดไตเตโลผามาโถไม่เอาแล้ว ก็ไม่ได้พ้นไม่ได้นิสงส์แต่ปฏิปันได้สังขรัตนะแต่วันต์เสดมีประสงค์แต่จิตพิทูพิทูนของเราคือประสงค์จงรักเถิดตังโลกัตตะประสงค์เป็นานามุนของโลกอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตใจของเราเป็นโลกแบบที่ดีเห็นรูปธรรมนามธรรมมันชัดเจน แล้วก็ทำปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบถือก็ดีย์สร้างตนเองให้ดีสอนตัวเองให้ได้เด็กไปสอนคนอื่นได้นี่คือคุมขากของประสงค์เรียนรูน้อยู่ในจิตใจทุงท่านแล้วท่านจะต้องมีที่พึ่งได้แล้วคือสราระที่พึ่งท่านต้งสวดว่านะับถุนโนยสร้ังอังนอย่างเต็มเต็มสราระที่พึ่งเองไม่มีผีหระเจ้าเป็นที่พึ่งได้หลือเดี๋ยวนี้ไปไหว้ผีกันไปไว่าเจ้าเข่าชง ถือบอกยังไงก็เชื่อถือเจ้าเข้าชงบอกยังไงก็เชื่อเจา้าขาดรัตนกาลขาดความดีไปมากไปไหว้ถีอและแรงคนเดิมขาวพูดภาษาสมมตไปครอบนับถือไปนับถือเจ้าแต่เจา้จาเราก็เคารพถือปู่ยาตายายทึงอย่าจะต้องเคารพแต่นี่มันถือที่เท่าไปเนี่ยถือแางด่างงถ้าเจอถือมันจะเจอแสง เจานางา ก, กง็จะ้ังโกงโกงตลอดเลยการซื้อของนางโกงตลอดมีหรือท่านจะไปคบคาสามาคมได้แต่ลาเหตุผลจะไม่มีอริสงจะประการได้นี่เหวะท่านทั้งหลายการที่ท่านมาเจรงกรรมฐ า, านมหาที่พึ่งทางใจสจคอมาสบายมาบนบนดยว่าเจ้าขาทุัข์หายขอลากลับบ้านไม่สบายใจ นี่มนะันโงที่โสดไม่สบายใจเรื่องรักจะมาฐานพัฒนาตัวเองถึงจะได้ความสบายใจท่านมาสบายใจแล้วท่านจะลากลับบา้านท่านจะไปเที่ยวกันแต่ว่าฉันจะต้องไปไปเที่ยวสักพักหนึ่งสบายใจแล้วกยกลับมาวัดอภิษฐใหม่เงอที่สโสด โ, โง่บัตรซ็อกโง่อย่างเง่หัวไม่เคลื่อนแลนวมาสบายใจจะต้องพาเพื่อนไปเที่ยวสักพักนึ่ง แล้วก็กลับมาใหม่หลายโยมผู้ชายก็ไม่สบายใจก็หาเล่เธอจุบายออกไปกิ้นเดินทุลายยาใหมให้มันสบายใจมันแหละวิ่งไปหาความโทษกข์มาเดยววิ่งไปหาความสุขจากประการใดแล้วโยอมผู้หญิงอะตะพวนก็ไปเชี่ยวมนอกดอกไม่มีความสบายเลยในครอบครัวเนี่ ย, ย, นนยฉันจ้างขอลาไปเชี่ยก่อนแล้วค่อยมานั่งปฏิบัติโมบาช๊อ เสียงเงินค่าเครื่องบินเสียงเงินค่ารอขับทัวร์แต่พาไปเที่ยวยุโรปและเอเชียและสหรัฐอเมริกาไปเที่ยวกางก็เสียงเงินไม่ได้มีธรรมะประจําจิตประจําใจเลยคนนีโง่ถ้าหากว่าไม่สบายใจมันทุกข์ประตรงนางก็มาทานเดินเตรมเต็มข้าวทานข้าตีข้าว เ, เดี๋ยวมันก็สบายใจ เ, เดี๋ยวมันก็พ้นไปเจอจากกองทุกข์ในในาประการได้ ระงับทุกระงับโสระงับโลกระระงับภัยระงับความเหน่อยจงไงได้คือการเจริญคือปฐฐานสูตรถึงจะระงับได้ยังยืดถึงจะถูกตอกโยมีหลายคนที่งโง่มาสบายใจยอยู่สองคืนทนไม่ไหวตั้งมัน่นใจเล็กเกินว่าจะมาอยู่เกดมันอยู่ไม่ได้แล้วกลาบแล้ว กลาบแล้วทันอดทนไม่ได้เอาล่ะคนประเภทนี้ไม่โดยดีทั้งตาออกขากไม่ดีบอกเลี่องไม่ดีตั้งแต่ต้นนะต้อ ง, งเล่นตลอดไปทั้งคิดหาไม่เอาดีไม่ได้เลยเป็นคนดีนะทั้งโคมไม่ได้เป็นลูกที่ดีทั้งบิดามารดาไม่ได้แล้วก็เป็นติดลื้อผัาจา์ไม่ได้เลยคนประเภทนี้ลายสาระยักษชากรบุตรมีความทุก กนใจหาความถุกในรอบเรื่อไม่ได้กระชั้นที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีที่มีบุญวายหนอที่มีขัดข้องหนอเดินเบื่อไปเรื่อยไกลๆที่กระทับโค้งพระพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าเดี๋ยวสั์เพื่อสำเนียงเสียงไข่หนอมาเบื่อว่าที่มีบุญวายหนอที่นั่งขัดข้องหนอไม่มีความถุกหนอพระพุทธเจ้ายกเะเพลวาเจ้าจออไป รับตอบว่าที่นี้ในวุน่นวายเนาะที่นี้ในขาดข้องหนาเชิญได้เข้ามาได้นะบัด น, นี้มีอยากชาตุระเ บ, บิจึงเข้าไปไปหาเป้าพระพุทธเจ้าก็จะเลื่อนสตินี้เองพระพุทธเจ้าจึงได้แาเมตตาสอนธรรมะให้โดยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ยังเลื่อมล่วเลืล่อมกระนมงให้ชาวเลกเป็นทุกข์ เดชาคือระเบิดเชิงื่น อ, อกเชิงใจาหายทุกข์หายวุ่นวายจึงขอเบวดในประสาทนะบเอหีเอหที่คุ อ, อุปสมบทาบวอต่อประทับพระพุาทธเจ้าโดยไม่ต้องมีออุปชาอาจารย์ไมาา่ต้องมีคู่สวดกรรมวาจาก็สามารถเบวดได้เดินผู้หญิงก็เบวดได้ไมาา่ต้องมีอคู่สวดไมาา่ต้องมือุปชาบวอก็บวอได้บวอแบบเมื่กัมมะ มาจเจริญกรรมาฐานเนี่ยบวต่อหน้าพระพุทธเจ้าละสฟังให้ดีผู้นายปฏิบัติธรรมผู้นัานเห็นประสาขตผู้นายเห็นประสาขดผู้นัานปฏิบัติธรรมนีละตอหน้าพระพระพักร์ละผู้นายไม่เห็นพระพุทธเจ้าเพราะไ่ปฏิบัติธรรมมันจะเห็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรแต่ก็ไม่หมายความว่า นางแล่เห็นพุทธเจ้าลอยมาแล้วก็ช่วยหนูขึ้นใจไม่ใช่เห็นแบบนั้นเห็นอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจอยากเห็นว่าปัญญาคุณเห็นพระปิจิตที่คุณเห็นพระมหาปูนาที่คุณของพระองค์เต็นล้นไปยมอยู่ในจิตใจนาวเบิดบางนั้นสาพุทธะเตือนเถิดชาวไทยเตือนเทิดชาวพุทธไม่หลับไหลไม่ละเลิ่มหลงแล้วไม่นงงวย ชีวิตจะไม่มัวยมรณ า, าไม่มีการตายแล้วไม่มีการเกิดไม่มีการแกร่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายต่อไปไม่มีการคัดการา จ, จากของปฏิรักษ์นิยมจิตใจอยู่ต่อไปนั่นคือทันพาตมีความหมายอคัดเต้นแล้วแต่คนเราไม่ทำกันเวลาท่านทั้งหลายเ อ, อ๋ยมานั่งกรรมาฐานกันกะหาว่ามาหลายเรืองหลายเรื่องยเองอยอพุทโธบ้างอรหังบ้าง มาจากคํานากโจรบางคำนัไม่ได้ผลเลยนะไม่ได้ผลบอกให้นั่งหายใจข้าวพองหายใจอ่อนโยกไม่เอาซะแล้วไปนั่งพุทธโธเลยนะเดี๋ยวเดินขวาย่างข้าอย่างไม่เอาเตา้าพุทเหยียบโทโทเหยียบพุทไปเลยนี่ญนาะี่วัดนี่เองนะเลยนไม่ยาอะไรเลยจับปลาทั้งที่มือนะเนี่ยเดิก็หาหลักฐานไม่ได้เลยเลยไม่ได้แล้วเรื่อง ถ้าผู้ใหม่ต่อการปฏิบัติไม่รู้อะไรเลยได้ผลขอให้มีศรัทธาปฏิบัติขอให้มีวิญญยะมีความเพียรตั้งสติไว้ตลอดเลการแล้วประชุดม่นในสมาธิพลังงานเกิดคือปัญญาเกิดแน่นอนแล้วก็ได้ผลดีกว่าคนเก่าๆที่ไปปฏิบัติกันวัดโน่นออกวัดนี้เพื่อบุญวัดโ น, น้นบวชชีปราม ว, ว, วัดนั้นให้พระเทิดกันมากมายเปยกันเทศดไม่พัด เดียกวก็แจกรองคอกระถิ่นบ้างคอผาปาบ้างเย อ, อะเทอะไปหมดแล้วเลยก็จิตไม่สงบไมเ่เดกดดาลลดทำกับบริการใดท่านจะได้ไดบุญเป็นไหนหรือมาที่นี่กันหลายประเภทเยอะเกินมาอยู่สวันกราบแล้วว่าไม่สบายต้องไปชวนเพื่อนับเที่ยวก่อนนี่แหละคนงโง่คนเสี้ยเงินเฉี้ยทองการปฏิบัติไม่ต้องเสียอะไรเลยขอให้ท่านปฏิบัติจริงๆได้ไ้ม ท่านจะได้คงคุณต่อประพักมาฟังธรรมต่อประพักคือจเจริญเจะกรรมฐานนั่นแหละฟังเพื่ฟังธรรมพระพุทธเจ้าล้วท่านจะได้ฟังเพ็ญกล่าวไวช้ชัดเจนผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นถึงใจเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นันานปฏิบัติธรรมจะมีพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตใจก็ธรรมะเจ้าอยู่ในจิตใจพระสงค์เจ้าอยู่ในจิตใจค่อยง รันตนศาสาร์ตลอดชีวิตชีวิตท่านจะไม่อาบเฉาชีวิตท่านจะไม่ใบปัญญาชีวิตจะไม่เป็นมนุษย์โดยคโ้ม้อยเนี่ยคนที่มานี่เป็นมนุษย์เผดมนุษย์โรยคโ้ม้อยหลายคนลอยไปลอยมาไม่มีชิ้นเกาะไม่มีชิ้นเกี่ยวกล้วทำไมมีชิ้เกาะเกก็ไม่มีชิ้นเ็จไม่เศษเชาะต่อให้ลึกซะก่อนแล้วประมานั่งได้อะไรฮมานั่งคุยกันมีนากันเยือง ท่าจะได้อะไรยเลงทจะได้บาปตัวท่านตาบาปเนี่ยคืออะไรพูดง่ายเขอกมาก็คือเดือดร้อนคนที่คนเดือดร้อนในจิตทำอะไรไม่เป็ผลตป็นนักไม่เป็นปนัก เ, เป็นผลเป็นมีอเป็นถึงเขามากหลายไม่มีสติปัญญาจะไปแก้ไขถ้าจะเลงกรรมาฐานอดทนได้ต่อสู้ด้ยความทนทุกข์ทรมาร์ลำบากยังไงก็ต้องตัวนี่นี่ยสร้างความโดยจะอพิ่มความลาบากได้ ไอ้คนข้างความเชื่อเนี่ยมันย่งถึงความสบายเอาปูนหมายหัวได้ก่อนดีไม่ได้ตลอดกระทั่งตายเพ่งถึงตายเพ่งถึงคือตายไม่เป็นท่ามองเพิงแปลว่าตายแล้วแต่ไม่เป็นท่าไม่มีความดีงจิตเตื่อไปเรียบอย่างมองเพ่งเพิงถึงตายยังเพ่งถึ ง, ถงตา ย, ยังจะเยอะยังที่หนึ่งคืงนมะา ร้อนอกร้อนใจตายก็เรียกว่าตายเพิ่งถึงตามร้อนอกย้อนใจไม่มีเอตาดมีธรรมะประจําจิตประจําใจแต่ประการใดออกมายังนี้ชัดเจนมากเลยๆนี่หนีกลับไปก็มีอนะมาถึงพอได้ข่าวว่าเขามีระเบียบอย่างนี้เข่านี้เล ย, เยวัดนี่เป็นเรื่องแล้วมีระเบียบต้องมีบัตรประชาชโณด้วยเหรอต้องมีอนามัยเลยต้องมีอะไรเลยต้องมีใครรับรอง้วยเหรอ ถ้าเรารู้จากการลือ้อหรือนอนใจตื่ก็ไม่ลี้ก็ได้ไอ้นี้บาดกระชาชนเนี่ยโยมไปไหนไม่มีบาตรไปเขาจะจับเอาเนี่ยเขาจะหาว่าคนหลักลยอยตำรวจเขาจะรู้จักเลย อ, อะไรํานองนี้อเขาต้องจับตักตัวไว้ก่อนอยังมีคนเนี่ยประเภทคนลายหรือคนดีก็ยังไม่ลู้เคื่อไม่มีบัตรประชาชนยังลื้เต็มตอนไอ้ที่เขาเกลีอน บ, บาดขอบาดเจ็บจะไปว่าเขาเนะี่ยหากว่าไม่เชื่ ก็มีใบรับรองมาถ้าไม่มีถ้ารลุกจากตานั่นก็ไม่มีปัญหามันไม่มีเดียดร้อนมีเข้าใจคำนี้ด้วยเข้าใจคำนี้มาอยู่ค่าเจิดวันอยู่ต่อได้ไหมก็เขามีหลักอี่เจิดวันกําหนดเขาแต่เราจะอยู่ต่อจะกระเวรกรรมฐ า, านให้มันมากกว่านั่นถ้าทําได้ดีแล้วมันก็ไม่มีปัญหาเป็นกรณีที่เศษไป สำคัญนา่งสามวานเนี่ยเที่ยวอะไรหลังวัดมาวัดเดินกันเดืยบไปตลาดมั่งเดืยบไปซื้อของมาทําบุญมั่งไว้ฉันมาทานมั่งายมมีมาเห็นด้วยมันเห็นด้วยเรียนให้กลับไปฮะสามบังก็กราบไปเฮะมันไม่ได้ผลมาทำไมเงีมันเสียเงินค่ารถมาเปล่าไม่เกิดประโยชน์ผลกับประการใดแอกมันนี่ชัดเินมากเด่อมาที่บัตดประช้าชนไม่มีเราต้อไม่ลืมห้ามเราไม่รู้จักกันนะ แต่มีคนรับรองมันก็ไม่มีความหมายอะไรนะักพรเขาไม่ได้จาัด ก, การหนึ่งนี่นอนไปตือนเพราะอะไรที่มันมีปัญหามากบางคนเมื่อมาแต่น้าปฏิบัติมันรักเงินรักทองเขาลักกระเป๋าเขาไปอยู่เรื่อยนี่คนประเทศนี้แถมเอายาเถื่อนติดมากินกันอีกด้ว ย, มมมว ย, วยไม่วิจารณ์ต้องปวดขำอย่างนั้นเยิมอย่าว่าเขาเลยนะเขามีหลักปฏิการเขาอย่างนั้นก็องตรียปฏิบัติตามถ้ามันไม่มีอะไร มาเลยอ่อไม่เป็นลายมาหาจะมาก่อนรับรองให้ของรับรองไม่ใช่ว่าํำให้เสียหลักกติกาเขาติดตั้งเขาไว้เขามาลุกดกมันอาจจะมีคนแตกปลอมมาเนี่ยมีหลายครั้งแล้วมาเข้าห้องเดียวตานแต่งเตือนเสวยด้วยเลยมาลักกระเป๋าเขาไปเลยลักแหวนเขาไปลักสร้อยแหวนเข้าไ ป, าาไปนี่จะมนมีปัญหาอย่างนี้จึงต้องปวดขันข้ น, นงวดอันหน้อย อย่าว่าเราเลยอย่าว่ากรรมฐานเขาเนี่ยมันมีอย่างนี้หลายข้างหลายคราวสกดมาแล้วมาเลียนตัดคนดีๆมาหาคนที่ดีบางคนก็มีจะเพทย์งแต่งตัวขับรถเดินมาอย่างดีมาหาสาวแค่เด็กรุน่นจะเอาไปทํางานไปอยู่กันหน้าเธอไปเอาไปทํางานบางเดือนทแพงๆมีอย่างนี้กับมีนะหม ถ้าเราลูมทางเท่าไหร่ขับยศหนีไปเดยมืออย่างนี้ก็มือมาชค่การปฏิบัติธรรมก็เพ่อมาคือคอเพาะอาเดืเอเ้าขาวเดืยอย่างสวยๆหน้าตาดีๆที่ตกงานน่าจะรับไปทำงานม่อที่วัดนี้ก็มื อ, อย่างนี้เหมือนกันจนต้องกือขันอย่าไปว่ากรรมการเขาไม่ได้นะอยาจะมาขอแถลงให้ฟัง ถ้าหากว่าเรามาดีต้องการปฏิบัติดีมันก็ไม่มีปัญหาอันใดต้องการจะมาสร้างความดีใครก็จะว่าอะไรเล่าอย่ามาสร้างความชั่วเลยอันนี้ก็ยินดีต้องรับทางง้างไม่มีอะไรขัดข้องแห่งใจจะไปตามได้นี่อ่ามาตป็นอย่างนี้ไม่มีเรื่องกันมาแล้วมาแล้วมาเรียนกันแต่ไม่ว่าพวกเดียนการยก ก, ร, ยกระเป๋าเข้าไปเลยเนี่ยแล้วมันคงจะเสียายเสียชื่อมัดอาตมาด้วย บอกว่าตื้ต่อไปไม่มากระเป๋าก็หายเงินก็หายสรอยก็หายอยู่ในอย่างนี้แต่ตอนนี้คนมาหลายประเภททา ม, มาตั้งใจปฏิบัติด้วยการทุกคนมันจะไม่มีปัญหาเลยจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเกิดไรการใดแต่คนมันหลายประเภทได้เกิ น, นโยนนะนานาจุดต่าง ม, มาในในเรื่องในรูปล่างคืบาธิกาแต่ทุกข์เขามาแล้วแตเป็นในรูปร่างอย่างนั้นจะจุดใจดำได้เกิน จิตใจเอามันสืบดูอย่างสวยๆเรื่อยไปดอย่างดีแต่จิตใจเป็นอัภิจังหลายดังที่กล่าวแล้วมี่เราต้องเกิดาการเหมือนกันแต่มันเงนี้ยมันเสียหายหลายประการดังที่กล่าวแล้วดังนั้นที่น้องทุกที่รักทั้งหลายอันมาเจริญกรรมฐานมาสร้างความดีด้วยการทุกคนแล้วมันก็จะไม่มีปัญหาจะเกิดขึ้นความทุกข์ความยากความลำบากก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ที่ส่วนรวมเรื่องความนในวัดนี้นะ ขอจเจริญพร อ, อย่างนั้นเพื่การมีบัตรประชารนบ้างมั่ไม่มีบัตรแต่ละารู้จักกันนะเคยไปมาให้สู่กันอยู่เสมอมันก็ไม่มีปัญหาใดมาใจจะเครียดแช่งกันอย่างนั้นเสมอไปหรอกก็ดูเพื่อป้องกันนะ่ะ ก, ก็จะขอประทานโทษโกรธภัยด้วยบางทีอาจจะกระทบ ก, กระเทือนใจก็ขอให้อาภัยซึ่งทะเล ก, กันดังอย่างเขาไม่รู้จกัก บางทีก็เพระาะปัญหา้องเอาตามหลักปฏิกานี่ถ้าไม่ได้ใยพนันมามาใยบาดใจชายทนมาหรือลืมบ้าง อ, อะไรก็ไม่มีปัญหาเลยตั้งใจปฏิบัติจริงๆสักหน่อยแต่เป็นเมื่อชีวิตประจามจะเป็นอะไจะมาอยู่เลยก็ไม่ได้เพราที่มีมันไม่มีชีวิตเสือจะอยู่ต่อไปเป็นประจําเนี่ยมันก็หายากคนนู้ข่าวุนนี้ออกตลอดรายการมันก็มีความหมายอย่างนั้น ดังนั้นผู้คนทัง้งหลายมาจะเดินกรรมฐ า, านมาสร้างความดีนี้ถ้าอารมณ์ไม่ดีหรือใจไม่สบายนั่งกรรมฐ า, านดีที่สุดมันทําให้กลับร้ายใจดีแต่หากว่าเคยเครียดแทน้นจิตใจมากใจไม่สบายไม่กตกที่นอนไม่หลับทิ้งไม่ได้เลยนั่งกรรมฐ า, านดีที่สุดจเจริญกรรมฐ า, านดีที่สุดเพราะว่าทำให้ท่านจิตใจจะสะอาดบริสุทธิ์ความทุกข์มันก็หายไปจากจิตใจ คามดีก็แทนที่ของจุตใจท่างแล้วทางกระเจ้าเน่มีความสุขแก้ทุกได้เม่อนอนก็ขอดืงยันว่าแก้ทุกได้ทําการไปแก้ทุกเดินไปหาทุกเดินไปเที่ยวและกาเดินผู้ชายก็ไปแก้ทุกโดยินไปเดินทุลาเริ่มการทํานานเที่ยวครั้งโคมได้ลุ้นตลอดโดยการถือว่าเป็นความสุขนั่นแหละมุนโลกกระชับมันมีสุขขณะ ท, ทุกินเดินทุลา วเวลาหายใหม่หมดเงินหมดกระเป๋าแล้วมันจะเคยความทุกข์มันจะหาความสุขไม่ได้ไอ้ความสุขนี่คือการทำเนี่ยมันทำยากต้องลงทุนความะบ่ากต้องอดทนนะทําอะไรก็องอดทนเฮีอยออกนิจังอาขับประจานางังขโมงไปอันนี้สาคัญมากมีประการหนึ่งด้วย กปัญอาการมาปฏิบัติกรรมาฐานจะมีประโยชน์ประจำจิตประจำใจที่คุ้มท่านถ่ามาข้างความดีหรือความเชื่อตั้มาถึงเดตต่างหลักสูงขึ้นว่าเหมือนว่านิ่มหรือนปทนเหมือนปฐนเป็นผนุ่งไต๋หนายตาหูตาดูหูฟังปากนุ่งตีลืกเบื้องหนูทำแต่ความดีจะได้มีปัญญาหนูความชั่วละความเชื่อทางสู้ให้ดีท่านจะมีปัญญาแน่นอนทั้นจะพบแต่ความเจ็จะพบชีวิตจึงของท่าน มาจเจริญกรรมฐานาต้องตามมาแสวงหาพระมาอย่าพระอย่างอาตมานี่เนงะีย้ยแสวงหาพระให้มีประจําคุอประ จ, จําใจข้าใจชั้นแค่ประเสดิฐใจชั้นล้ำเบิดทุกประการจิกใจชั้นจะมั่นคงจุตใจชั้นจะไม่ห่อแหลกจะไม่เหลวไหลจวลาเหลวเหลวไหลแต่ประการใดจิตใจก็มั่นคงมีสติ ด, ดีคนที่มีสติ ด, ดีนั้นมีแต่ความศักดิ์คนที่ไร้สติ ตั้งสติไม่ได้เลยเนะี่ยมีแต่ความทุกข์และเหงร้องไห้ตลอดเลยกามีแต่ความสะสมทุกไว้การเจริญกรร ม, มาฐานต้องการสะสมความศุกและในเครื่องคอมพิวเตอร์สะสมสติปัญญาอาริยบทตาหูจมูกลิ้นกายใจยเห็มหนอะเสียงหนอเป็นหนาลิ้มเลี้ยงล ร, รับเลี้ยนอะกาช้ำขัดอย่างนี้เป็นต้นนี่ว่าสะสมความศึกตรงนี้ความสุขที่ขวางหก เงาะโลกสวรรค์มันอยู่ที่สวัรค์หกจะลดถ้ำต้องกําหนดอาเยาบทต่างๆเก็บไว้ให้มันดีจะผมไวดีอย่าให้มอมตต์ลี่มันรู้วอย่าให้ตุ่มน้ำที่ตักม้อมันเสียเวลาตุ่มมันเลือดไม่ยีจะใช่อุดตุ่มผิดไหนก็ฟุ้งซ่านมาปรการต้องอุดทางเลือดทางไหลเลือดเขาตักน้ําใส่ตุ่มมันจะได้ไม่เหนื่อยมาก ตักน้ำไก่ตุ่มมากม า, กายไก่กองตุมก็เลี้ยงไปหมดปักกระเพือเวลาเปล่าเนื่อเปล่าไม่ดดได้ประโยชน์ผลิตผลก็จะกรนได้ออกมาอย่างนี้ชัดเจนมากขอฝากญาติโยมว่าอย่าหนูทุกอย่าหนูต้องโซ่ทุกกําจากทุกให้มันหมดไปสมบัติอันนี้จะได้เกิดขึ้นก็ได้เกิดชนมนุษย์สมบัติสยัมสมบัตินิพา น, านสามบัติแน่นอนแต่สมบัติมนุษย์ไม่มีเลยเราจะไปสยันสมบัติไม่ได้เลย เราไมาเ่เจอพระเรามาปลุกใจในอทอนมาแสองหาความดีกันไม่ใช่มาแยวงหาความชั่วแต่ประการใดเรามานัดพบรพระในจิตใจคือระกรรมฐานมีพระกรรมฐานแล้วจะมีพระอิู่ในจิตใจก็เบิกบานหังษาทำอะไรก็เป็นมาเป็นผลจะค้าขายก็รวยจะพุราสึกก็รวยซื้อดินขายซื้ดินก็จะรวยจะสวยดีก็จะมีปัญญาฮัดเจ น, นะ แล้วท่านจะเอาอะไรมีทุกข์ก็ผาไปเที่อมมันมีทุกข์ก็ไปเดินสลายามมาเล่นกันนะรับก็โดนยิงตายโดนตีโดนทะเลาะมีวายการในร้านกาแฟตลอดเลยลาหนุ่หรือความโศกคือมันเออจนนอปนในความทุกข์ไอ้คว้าติดที่แท้คือไม่มีความทุกข์ก็เนื้อติดก็คือเจริญกติปฐานสีบำบัดทุกข์แต่ปัญหาชีวิตชีวิตท่านจะจ่มใส ความทุกข์จะหมดไปความขเหนียดจังไรก็หมดไปอับปี่จังไรจะไม่มีตัวตนอภิมงคลก็ไม่มีอยู่ในใจนี่แต่มหามงคลชีวิตชีวิตท่านจะเป็นมงคลชีวิตท่านจะสร้างกุศลจะอดทนต่อการงานและหน้าที่จะทํางานอะไรก็อดทนตลอดงานไม่เสร็จไม่นอนงานไม่เสร็จไม่กินข้าวนี่ทุนจะอดทนจริงๆเนี่ยได้อย่างงี้สร้างตัวให้มันดีทําความดีขึ้น ไ, ได้ จึงได้สรุปใ จ, จความว่าการความดียากมากมันยากและเตินสร้างความชั่วมันง่ายมันไหลไปไดง่ายตามใจเตือตามพันเตืออยู่ในใจตามใจตามอารมณ์ของตอนเองเจะชั่วชาสามาอย่างเร็วตามใจไม่ได้ธรรมะถึงจะแปลยากฝืนฝึดฝืนใจให้มือติอย่างฝึกมันเลื่นไหลออกไปหม้อมัลีิเกิดไปก็มายือ ความรู้ก็ไม่มีไม่จำคึกษาไม่จงขยาหาความรู้แต่มาแต่ประการใดแม้มัตต์รีมันก็เลืวกติดไปมาอยู่โยมต้องตายแน่แน่ต้องตายแนย่มาโดยแรกชีวได้แม่นอนก็เติดไปมาอยู่เหมือนเต็มน้ําเติมน้ํามาอยู่โยมจะอดน้ําตายขาดน้ําเราชื้นชีวิตขาดคู่เคสชีวิตจนอยู่แตมีความรูกก้ตาม ขาดน้ำไม่ได้น้ำอะไรหนอที่น้ำที่มันใสนุ่งก็คือน้ำายน้ำาจท่าบานไหนขาดน้ำใจอยู่ไม่ได้ไม่มีอารีอเลสเออ้าบาลีซึ่งกันและกันเลยมิจะหายงนะมีแต่คะเลวิวาดกันพี่น้องก่อแตกคอกันเป็นพี่น้องกันไม่ได้ไม่เป็นญาติใน่ประกาศสนาเลยยังมีเป็นตอนมือละขาดน้ำน้ำใช่น้ำใส ขาดน้ําจาขาดวุ่นึ่งชีวีแม่ไม่มีเพื่อนพ้องไม่มีพี่น้องอีกต่อตายแต่ตามาจึงได้กล่าวให้โยมฟังมาเป็นคติถามว่าขาดน้ำชุ่มชีวิตขาดที่ครึ่ชีวิตยังอยู่ความรู้ความดีอยู่ในตัวปัญญาก็เกิดมากับตัวความรู้อยู่ในตำลากแก้ไขปัญหาอย่างไรมีเงินให้เขากู้มีความรู้อยู่ในตำลามลำ บ, บาก อ, อกลํา บ, บากใจมาก มีความรู้อยู่ในตำราจแล้วต้องไปเปิดจนน้ำบาตมีเนื้องเขาปูจะใช้ทีก็ต้องวกันหิวโถ่ไปหมดหรือหิวโหูวมันคืออะไรก็ไมชาราเหมือนกันขอจากประเดยมีอขเราจะแทให้เขาปูไปหมดใหเขาเย็นไปมีความรู้ปถาต้องอยู่ในตาราต้องไปเปิดกันทุกวานเวลาจะแก้ปัญหาไปเปิดตำาดราเล่นไหนยาก การจเจริญปฏิปทาฐานสื่อข้อการมีความมีที่จิตมีความมีที่ใจแลยวก็มี ม, มีมีสิ้นใครก็ใช้ตาได้ยวยเมตาตาปัญญาตื่นตื่งมีจ ะ, ะอจะธิบายเมตตาให้ฟังว่ า, าจะมีเมตตาอย่างไรจะได้แผ่ส่วนกุศลไปได้จะการใดกุศลจะถึงคนนัานได้อย่างไรด้ยวยเมตาตาติความฟังในวันตื่นมีต่อไปขออนุโมทนาสาธุ ก, การแก่ท่านทั้งหลาย อีม่มาเจริญกรมมาฐานและขอกราบนมัต ก, การลาจาบ้านขอให้ท่านมีอสวัส ด, ดีมีชัยมีโชคมีอไทยมีอความสุขความเจริญมือครอบผ่กพันทั้งสามมือภรรยาทั้งบุตรธิดาด้วยแต่รอกระทั่งญาติวงองขาวงเทยันขันเดืหวามีความสุขโดยชั่วการต้นวงเอวนันมาเก่งวงเศษมนุษย์คนที่ปฏิบัติกรรมฐานได้ควรจะเลืกอกโดยวงเทยนันสันเดืหวา มีความสุขความเจริญทุกประการเรียกเลยโยนเทวันโยนเทวดาแล้วยไม่จะเป็นอามนุษย์นม่จะเป็นยากเป็นมามิตรตาจะยืนย่างเสมอยกอย่างให้เกียดพึมพการลการเรียกเลยโยนือยันคนที่เหยียบกันไม่ให้เกียดกันเนี่ยมันไม่จะอยู่ในโยงเทวันแต่ประการใดเหยียดยามกันมากนะเหยียดหยามกันไปแล้วก็ขีบคนจนไปเหยียดหยามคนจน ไม่เด็ดถอดังที่กล่าวมีอแบบงเท ว, วันเขามาเหยียบหยานคนจนเขาไม่ขามคนล้มแน่นอนโคม้ายล้มเขาถึงจะขา้ามยังมีปัญกองขอฝากท่าไหวในวันนี้โดยเจ้าการก็ท่านนั้นหลายท่านตลาดต้องเคืองลาม่เจละและวข้าท่านพระธรรมจารึกครูอาจารย์ทั้งหลายที่จะออกไปในอโศกบดอาสมท่านทั้งหลายจงอดทนเอาความมีนี้ไปเผยแผ่ให้ทุนได้ ะเราเลื่อมสายสกฐากระทำมจาลิกาเมืองประเซ็นไม่จะรอเพราะเป็นพระใจเพชรพระใจถึงเมืองใจถึงเ น, อง น, เนืองใจเพชรต้องศึกษาเล่าเรียนวิกาปัญญาต่อไปด้วยก็ขออย่าอยู่แค่นี้เลยควรตั้งนาตั้งตางเพียงขวนขวายเรียมให้มันเกบเคลือบให้ชันเวลาจะไปธรรมจาลิก่ไหนก็ขอให้ขเขาเด็ดความมุ่งมาตัดพนาทุกขท่านทุกฤทธิ์ทุกทนามด้วยการเบเชื่องละกัน ขอทุกขาทั้งหมดนี้จนเจริญไปด้วยอายุวันนาสุขาพละปฏิพานธนาสารทมบัติไม่คลื่อนี่นประการใดชมความมุ่งมากแตั้งหลายดูการทุบสุดนมนณโอกาสบตรนี้เอมาัปเพโลคาลินโลกา